เราก็ยุ่งพอสมควรเราเนี่ยเรากลับมาจากนู้นเราบอกว่าเราจะจะขึ้นเครื่องกลับมานี่ถ้าเราอยู่ผมไม่รู้มันจะยืดไปสักกี่วันก็ไม่รู้แหละถ้าเราอยู่นะุ่นเทียมนะมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะไปแต่ละครั้งเนี่ยมันยืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยก็เลยต้องรีบบุญมาให้ถึงเนี่ยเลยเป็นเหตุหมูเขอคอยได้ทําปฏิโมกตอนนี้พอดีเขาจองตั๋วไว้เราก็เอาหนังสือสุทธิไปขึ้นตัว๋ว ขึ้นตัวเสร็จเครื่องก็ออกสามโมงห้าสิบกว่าเกือบหกสิบเนี่ยเครื่องถึงได้ขึ้นบินกลับมาลองลดอนไม่งั้นก็ถ้าเผือเอารถไปล่าก็นั่งอีทั้งวันนี้เหนื่อยเพราะแห้งนั่งรถนั่งเครื่องก็ชั่วโมองเดียวเมื่อคืนก็นั่งมาจากเด ล, ลีอินเดียประเทศอินเดีย สมชั่วโมงกับสิบห้านาทีนั่งบนเครื่องที่ก็แคบแคบที่บนเครื่องบินที่นั่งขยับซ้ายก็ยากขยับขวาก็ยากขยับตีนก็ยากอยู่นั่นแหละมันก็เขามัดแกร่งนี้บางคนก็หลับเขาก็หลับได้บางทีมันเหนื่อยจริงๆมันก็หลับได้มันก็นเครื่องเขาก็บินมาดีเครื่องประเทศอินเดียเครื่องเขาบินดีนะ มันไม่ค่อยห ย, ยุบหยากหยุบหยาบเหมือนเครื่องของเราเนะ่ยเวลาเขาลงมันรู้แต่รู้แต่ว่ามันปรับระดับลงแต่มันไม่ทําให้เราใส่ห้อยนะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆ ล, ล, ลงรู้รู้รู้ว่ามันลงแต่มันไม่ห ย, ย, ยุกยาบยุกยาบหยุบหยากหยุบหยาบเหมือนจะร่วงไม่เหมือนของเราเลยของเราเนี่ยมันเมื่วันนี้มาเหนือหยุบหยากหยุบหยากบมาลงอันดอนเนี่ ย, ย เครื่องเขาเครื่องเล็กๆนี่มันดีเวลามันยุบยาบยุบยาบแต่ความรู้สึกเหมือนกับมันมีชุยชีพเนี่ยพยุงอยู่แต่พวกเราเน่ยยุบยาบยุบยาบมันเหมือนจะร่วงแต่ก็เป็นเหตุให้เราได้ระมัดระวังดีนะระมัดระวังดีทีเดียวระมัดระวังระดับไหนระมัดระวังระดับเป็นระดับตายทีเดียวเลยนะนั่งเครื่องนั่งเครื่องบินระมัดระวังขนาดไหน มัดระวังขนาดเป็นขนาดตายถึงขั้นเป็นถึงขั้นตายอะนะโดยเฉพาะยามมวร์สุ่มําพายุลมพายุฝนนี่แหละมีวันนี้ก็มีพายุเข้าอยู่เนี่ยมีเมฆเต็มไปหมดที่กรุงเทพเนี่ฝนตกมองดูลงไปนี่เหมือนคาเทนาน้ําเต็มตามล็อกล็อกล็อ ก, อกที่ที่มันไม่ใช่บ้านเรือนน้ําเต็มเลย เมื่อเขาเขาหนา็นน้ำเยอะแสดงว่าฝนหนักมากทีความตั้งใจความไม่ลืมตัวนั่นแหละมันเป็นต้นทุนความตั้งใจความไม่ลืมตัวเป็นต้นทุนเป็นความไม่ประมาทถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็รวมไปถึงความลืมเนื้อลืมตัวก็เหมือนอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่แหละ อยู่ส่วนโดยลำพังกับอยู่ส่วนรวมการเข้าหมู่เนี่ยมันดีอย่างหนึง่งทำให้เรารู้ครอบเปรียบเทียบกับเราเป็นยังไงกับหมู่เป็นยังไงหมู่เขาสารวมระมัด ร, ระวังยังไงเราสำรวมระมัด ร, ระวังยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าหมู่ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราท่านจึงให้สำรวมระวางังเราเข้าหมู่มันหลายคนเมื่ออย่งเรามารวมกันอยู่อย่างนี้เยหลายคนหลายหัวใจ บางคนก็ตั้งใจดีตั้งใจดีดีเพื่อความดีความกิจใจของเองแต่ถ้าหากเราไม่ตั้งใจไปผีผามไปแสดงกิริยาคำพูดคำจาอะไรไม่เหมาะไม่สมก็เป็นเหตุกระทบกระเทือนหมูเนี่ยนี่ก็เลยเป็นเหตุให้ให้เราต้องได้คิดมันเป็นเหตุให้เราต้องได้สารวมได้ระมัด ร, ระวังแน่ไหมมันเป็นเรื่องจูงกันละมันเป็นเรื่องพยุงกันมันเป็นเรื่องพยุงกัน เราพยุงท่านท่านพยุงเราเราเห็นความประพฤติของท่านท่านเห็นความประพฤติของเราความประพฤติของท่านในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องเราก็เอามานิยมชมชอบในหัวใจแล้วเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติกำ ก, กับกิริยามารยาทางกายทางวาจาของเรานี่ยมันเป็นข้อเปรียบเทียบทาให้เกิดข้อเปรียบเทียบไม่งั้นไม่รู้จะไปเปรียบเทียบกับใคร อยู่ไปอยู่ปลาคนเดียวถึงปวดอยู่เรื่อยคนที่ช่วยตัวเองอยู่กับหมูก็ช่วยตัวเองได้เป็นเหตุพยุพยงหมูได้ไปอยู่คนเดียวก็ช่วยตัวเองได้พยุงตัวเองได้ได้หลักได้เกณฑ์การได้หลักได้เกณฑ์ก็คือการตั้งใจสัมรวมระมัดระวังไม่ลืมตัวนั่นแหละไม่ลืมเน้อลืมตัวมีความเสีย ด, ดายเสีย ด, ดายอะไร เสียดายความดีเสียดายเวลาไม่กล้าไปทำความชั่วเสียดายความดีมันจะน้อยลงมันจะน้อยไปกลัวบาปมันจะเพิ่มเสียดายเวลาเวลาจะหมดไปการดูเวลาที่เราดูยังไงเราดูระดับหัวใจหายใจเข้าหายใจออกทีเดียวการดูเวลาแค่เรามี ช่วงระหว่างหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่กี่รอบเนี่ยก็เป็นเหตุว่ามีคุณค่าในหัวใจของเราท่านไม่เราปล่อยปละละวางไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจไม่ใช่เผลอลืมเลื่อยนึกคิดเรื่อยเปลื่อยไปบางทีไม่ใช่นึกคิดเฉยๆคิดจนชินเป็นนิสัยเป็นสันดาณนั่นแหละจนจนเป็นเหตุแสดงออกมาทางกิริยาทางวาจาจนเป็นเหตุ แสดงออกมาทางกายนีแสดงว่าคิดจนชินแล้วแต่ถ้าหากสมับมบรณ์ระมัดระวังอยู่เรื่อยๆยับออกไปเนี่ยเราก็รู้รู้หมายว่าทันเงินยับออกไปไมารู้แล้วทันเงินกินกเลสเมื่อเราทันมันเอาอะไรทันเอาสติทันเอาปัญญาทันสติกับปัญญาก็เกิดที่จิตนั่นแหละกิเลสมันดึงไปมันก็ดึงจิตนั่นแหละไปกิเลสมันเกิดเมื่อเกิดที่จิต มันดึงไปมันก็ดึงจิตไปดึงไปนึกไปคิดไปปรุงไปอะไรตามอำนาจของมันมเรื่องของสติของปัญญาก็เช่นเดียวกั น, นะมันนึกคิดออกนอกรูนอกทางยบเย็ บ, ยบแเราก็รู้ทันยบเราก็รู้ทันแยบเราก็รู้ทันเราฝึกกันได้อย่างนี้เราสามารถทําประโยชน์ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออก แล้วมันจะชินมันจะชินไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราปฏิบัติได้ทุกริยาบทยนนืนเดินนั่งนอนทำการทำงานก็ทำไปบางอย่างตั้งใจทำพองานวางมือก็ย้อนมาพับที่ใจก็มันอยู่ด้วยกันเอาใจไปทำงานกับเอาใจมาทำงานขน้างไห น, น, นมันก็นใจอันเดียวกันนะสติ ส, สมัชยญญะกํำกับสติกับ สัมปชัญญะรวมตล่อมรวมกันเข้าเป็นปัญญาทำการทํางานหนักเบาก็ตามงานละเอียดงานหยาบข้างนอกที่จําเป็นจะต้องใช้เรียวใช้แรงตามเราก็ระบาดระหว่างตั้งใจตั้งใจทำด้วยความระมัดระหว่างพอเสร็จจบก็ย้อนมาพับย้อนมาที่ใจเลนย้อนมาที่ใจเอาสติมาควบคับใจโดยเฉพาะไม่ปล่อยให้มันคิดเลยเกลี่ยเพลินไป ไม่ใช่ว่าเสร็จงานแล้วเป็นเวลาปลอดทรงจิตล่องลอยไปตามเรื่องวาดภาพวาดวิมานบนอากาศวาดไปวาดหมาวาดม า, วา ด, มาวาดไปกลายเป็นวิมานจริงๆขึ้นมาอมกลายเป็นการเพ่งงานออกมาทางกายออกมาทางวาจารมันเกิดขึ้นมาจากต้นต่อที่ใจตังใจพวกเราวันคืนล่วงไปให้มีผลรายได้มาประเมินผลให้รู้ว่ามีผลรายได้เหลืออยู่ ไปนั้นใดนี้ใดนี้ใดนั้นถ้าหากเราทำประโยชน์สาธารณะประโยชน์มันก็ยังมีผลหลงเหลือให้เราเห็นอยู่เราทำสาธารณะประโยชน์ปัดกวาดเช็ดถูมันก็ยังมีผลหลงเหลือให้เราเห็นอยู่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ยังมีผลหลงเหลือให้เราเห็นอยู่หยุดหยุดทาข้างนอกเราก็มาทำข้างในเรามาทำข้างในแล้วมนเด่นชัดเข้ามาข้างใน เป็นการขัดเกลว์ชำระเข้ามาข้างในจํำระจิตนี่แหละชาระยังไงทํำยังไงชาระจิตอืชําระเหมือนเอาหินเหมือนเอาสบู่แฟกอะไรไปฟอกไปซักไปชําระไปขัดเหมือนเอากระดาษทรายไปขัดหรืยังไงเพียงแต่เราย้อนสติมาย้อนสัมปชัญญะมามาจอดูที่จิตนี่มันก็เป็นการย้อนมาย้อนมาต้นต่อที่เราจะ จะทํางานจะจับงานย้อนมากาหนดจดจอ่อเข้าไปที่จิตได้เท่าความรู้สึกตัวสัมปชัญญะรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวมันก็เป็นตัวของตัวลมหายใจก็ปรากฏออกมาความระลึกถึงพุโทโธก็ปรากฏขึ้นมาเนื่องจากว่าเราทําจนชินพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนจิตได้รับความสงบไปเรื่อยไม่นึกคิดเลยเปลื่ยไปอย่างเดีย มันก็ได้งานทำํำจิตมันสงบนี่ถือว่าเป็นการซักเป็นการฟอกเป็นการขัดเป็นการเกาขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยความหลงนะี่ยความหลงทําให้เรามืดทําให้เราทึบในจิตสติสัมปชัญญะมันทําให้เราสว่างในจิตเราย้อนสติย้อนสัมปชัญญะเข้ามาที่จิตเน่ยจะทําให้จิตขอนคร า, า ม, มันสว่างเมื่อจิตมันสว่างแล้วโมห ะ, ะมันก็ไม่อาศัย เมื่อเมื่อโมหะไม่อาศัยความโลภมันก็ไม่อาศัยความโกรธมันก็ไม่อาศัยราคะตัณหามันก็ไม่อาศัยในเมื่อเราเอาเราไฟเราแสงสว่างคือสติคือสัมผชัญญอนเข้ามากํากับที่จิตกิเลสมันไม่มาอาศัยจิตมันเลยกลายเป็นการชําระจิตชำระไปชาระไปชำระไปจากจิตที่เคยหมึดหมึดถึกถึนั้นก็เริ่มใสขึ้นมาสว่างขึ้นมา เป็นสงสว่างความรู้ผู้รู้นั้นมันสว่างแต่มันไม่ใช่สว่างวาบเหมือนไฟเทียนไฟฉายไปอะไรมันสว่างยังไงเราก็ย้อนไปดูปัญญาในใจของเรามันสว่างมันสว่างไม่มีสิ่งใดม า, มาบดมาบังได้มันไม่เหมือ น, อนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้ความสว่างมันสว่างส่องไปตรงไหนทะลุปร่ปปงไปตรงนั้นนะความสว่างของปัญญาท่านคิดว่า ความสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างอะไรมาเทียบนทิปัญญาสมาอภาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกส่องไปได้ทะลุปลุกโผล่ส่งไปทะลุกามาโลกรูปรโลกอรูปรโลกส่องทะลุไปหมดส่องทะลุกิเลสตัณหาสวะไปหมดมีความสว่างเราชาระสักฟอกให้สะอาดเกิดความสว่างไปใ น, ในตัว ทำอยู่อย่างนี้ทำจำชินคิดนู้นคิดนี้คิดมากเนื่อยเปื่อยเลยเป็นเหตเราสับสนวุ่นวายคิดเรื่องเดียวคิดเผาหนาใจิตสงบพอสงบขึ้นมาแล้วมันเริ่มแข็งเริ่มกลา้าสติเริ่มแข็งปัญญาก็เริ่มกลา้าสติกับปัญญากับความสงบเนี่ยมันอาศัยกันสติกับปัญญ า, ก, า ก, ก็อาศัยสมาธิคือความสงบความสงบคือสมาธิก็อาศัยปัญญาเหมือนกันอาศัยสติอาศัยสมัมปชัญญะ มันอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นทนันติว่าความสงบเป็นปัจจัยแห่งปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยแห่งสงบอย่างดงตาแต่ว่าสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิมันไหลไปเรื่อยๆลอมไปเรื่อยๆลอมไปเรื่อยๆอกไปออกมารมไปรมมามันซักไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆกล่าวไปเรื่อยๆ เราย้อนไปเราเห็นปัจจุบันเรารู้แต่ต้องดูจริงทาจริงไม่ใช่ซ้ำซักเท้าบัสทามีอารมณ์อย่างอื่นมาแทรกแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยล่องลอยไปตามกระแสของโลกทิ้งงานหลักไม่ได้งานหลักก็ ท, ทิ้งแล้วก็ไม่ได้ละผลรายได้ล่วงล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งสรุปผลรายได้แล้วไม่ได้อะไรโอ้วันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่เผือไม่ได้ตั้งใจภาวนา ไปทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์มันก็มองเห็นผลงานอยู่เออเกิดบนก็ยังพอปลื้มปิติอยู่ในขั้นนั้นแต่ถ้าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ได้ประโยชนย์เปล่าๆก่อนลเนินกินแล้วนอนเท่านั้นเราอยู่ไปทุกวันเวลานาทีให้มันมีผลรายได้เพิ่มพูนทวีคูณมีผลเพิ่มงานหลักอย่าลืมงานหลักทำจิต ให้ได้รับความสงบแล้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาอมจนโรตลอดยืนเดินนั่งนอนโรธของใครของใค ร, ใครโกรธของเราแล้วละขันไหนขันไหนแค่ไหนคือเราอ่ะตั้งใจทําเอาไม่ทิ้งความมุ่งมัน่นไม่ทิ้งอุดมกติมันก็ไปได้จิเลีมันไม่ค่อยมากก่อขวนยุ่ยเราแต่เราสงบแล้วแต่มันก็ตามมาอย่างนั้นแะ่ะเพลอไม่ได้เหมือนกัน ปัญญายิ่งเฉียบแหลมกิเลสมันก็เผลิมันมันก็ยิ่งเฉียบแหลมปัญญายิ่งไวกิเลสมันก็ยิ่งไวเพราะปัญญาก็เกิดที่ใจกิเลสก็เกิดที่ใจมันผัดเปลี่ยนกันทําผัดเปลี่ยนกันใช้จิตอย่าคิดว่าภูมิธรรมเราแก่กล้ากิเลสของเราจะโง่ลงโง่ลงไม่ใช่เพราะกิเลสมันก็เกิดที่ใจตรงนี้ยิ่งปัญญายิ่งเฉลียวฉลาดกิเลสมันก็ยิ่งเฉลียวเฉลยฉลาดตามมาแต่มันไม่เหนือธรรมท่านนั่นเอง มันไม่เหนือธรรมตั้งอกตั้งใจเราดูที่วันคืนลงไปอยู่นานเท่าไรไม่ว่าเราไม่ไม่ไม่ว่าทันทุกอัตตภาพนั้นมีความตายรออยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคนมีความตายดับรออยู่ข้างหน้าเราจะมีโอกาสดีนาทีทองแบบที่เราเป็นเป็นอยู่นี้ได้สักเท่าไหร่ช่วงที่สุขสบายร่างกายสุขสบายตั้งใจทํา วันร้อนกลางคืนอากาศดีเราก็เดินนะตอนเช้ายิ่งอากาศยิ่ดีตอนหัวค่ำเนี่ยเราเดินล่าเราไม่ต้องห่มผ้าไม่ต้องอะไรใสอังสาตัวเดียวมันเดินสบายเดินอน่าง ก, กลมเดินให้เหนื่อยเวลาเราไปนั่งร่างกายมันอยากพักผ่อนเพราะมันเหนื่อยจิตใจมันก็เหนื่อยหัวผ่ามันก็สงบขึ้นมาได้เร็วมันมคือขนอง อย่าลืมว่าร่างกายเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะลองไม่เชื่อลองไปดัดดูร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอะจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันถ้าร่างกายคึกขนอะจิตใจก็คึกขนอมเหมือนกันนะแต่เราต้องมุนเข้าหากระแสธรรมร่างกายเหน็ดเหนื่อยด้วยเหตุที่เราตั้งใจเผาหนาแต่ธรรมะมันเด่นชัดในใจมันสว่างมันชัดในใจ เราจับอะไรก็อยู่จับอะไรก็อยู่ดํางริอะไรก็อยู่ร้อนก็ น, น่าร้อนกว่าร้อนไม่ใช่ร้อนที่เราที่ไหนก็ร้อนเราก็ฉลาดถ้า้อยู่ด้วยความฉลาดร้อนทําไงมันจะไม่ร้อนร้อนม า, มากๆหาที่เย็นไม่มีหนรับเอาน้ําอาบมาโลกมาอะไรเดินหาในที่โลง่ลงๆท่านใช้ปัญญาหนาวท่านใช้ปัญญา ร้อนทั้งกายใช้ปัญญาปัญญาอย่างยิ่งก็คือรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวร้อนก็รู้ว่าร้อนออกก็ร้อนก็มันเป็นร้อนของมันถ้าเราไม่รู้ว่าร้อนเนี่ยขัดใจแล้วขัดใจคือขัดใจกิเลสหนาาต้องรู้ว่าหนาวถ้าเราไม่รู้ว่าหนาวก็คือไม่ทันมันแล้วขัดใจกิเลสอีกแล้วมันไม่พอดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปถ้าเป็นพอดีพอ ด, พอดีมันอยู่สบายไม่ต้องห่มผาก ไม่ต้องอะไรเราต้องปรับจิตให้อยู่ได้ทุกสภาพทุกสภาพการหนาวร้อนอยู่ในที่จอแจอยู่ในที่เออดยุดในที่มืดตากลมตากฝนตากอะไรปรับสภาพจิตให้ได้ตามนั้นคือปรับให้ทันปรับให้เท่าปรับให้ทันถ้าเราไม่เท่าไม่ทันกะมันสวมรอยเข้ามาแล้วแหละ ทำให้เราดีใจทำให้เราเสียใจทำให้เราชอบใจทำให้เราไม่ชอบใจทุกใจขึ้นมาเลยตอนนี้หนาวเกินไปเกณฑ์นมนให้พอดีมันไม่พอดีตามใจก็ทุกข์ร้อนเกินไปก็เกณฑ์ให้พอดีมันไม่พอดีตามใจก็ทุกข์นั่นเราไม่รู้เท่ามันรู้ไม่ทันมันยอดของการปฏิบัติธรรมของการภาวนาก็คือให้เรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันภาวะของักธรรมชาติ อ่ะตามไป